แห่งความสุขและคว า, าสมสำเร็จตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรา <hat. S 2> ทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกสบายๆทำใจให้เบิกบานเชื่นชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่ง แล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ น, นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมืออย่างเบาสบายคุณพลังแห่งความสุขและความสำเร็จนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ท้วนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ มารวมกันเป็นดวงบุญใสๆกมลมรอบตัวเหมือนตวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรที่เจรัยแล้วไม่มีตําหนิเลยความสว่างอย่างน้อยก็เหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแล้วก็สว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นดวงบุญใสๆที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราในกลางดวงบุญจะเป็นบุญธาตุซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสําเร็จในชีวิตของเรา ตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าบุญท่าที่กลั่นมาจากการทำความดีทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมก็ตามที่เราได้ให้วัตถุทานจนกระทั่งให้วิทยาทานอภัยทานธรรมทานเป็นต้นทุกๆบุญเลยศีลที่เรารักษาภาวนาที่เราจเจริญคือฝึกใจหยุดนิ่ง กับบุญที่อยู่ในบุญกิริยาวัตถุสิประการเช่นชุนคนมาทำความดีหรือทำความเห็นให้ตรงต่อหนทางพระนิพพานเป็นต้นบุญนี่แหละเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราจะติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของทุกกายเลยทั้งกายมนุษย์หยากายมนุษย์ละเอียดกายทิศกายรูปภพกายอรูปภพกระทั่งถึงกายธรรม เกิดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่มีความใสความบริสุทธิ์โตใหญ่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นดวงบุญที่อยู่ในกายมนุษย์หยาบของเราเวลามาเกิดกายละเอียดก็มาพร้อมกับดวงบุญนี้เมื่อผ่านคันบิดามันดาออกมาเป็นกายมนุษย์ดวงบุญก็จะปรุงแต่งให้เรามีสมบัติติดมาด้วยรู ป, รปสมบัติ จะมีรูปกายตามกำลังแห่งบุญถ้ามีวิบัติเจือกายมนุษย์หยาบก็จะทิการอย่างนี้เป็นต้นถ้าได้รูปสมบัติที่ดีไม่ว่าเป็นชายหรือหญิงก็จะได้ร่างกายที่สมส่วนแข็งแรงมีโรคน้อยอายุไข ย, ยืนยาวมีวันนัของใสอายุวันนะสุขพร ะ, พ ร, ะร่วมประชุมอยู่ในรูปสมบัติทรัพ ส, สมบัติ เพราะตั้งแต่อาหารหวานข้าวเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยทรัพย์สิ ian, นเงินทองพวกของบริวารยารักษาโรคลาบยศสรรเสริญเป็นต้นคุณสมบัติตตก็คือมีดวงปัญญาที่สอนตัวเองได้มีความรู้ดีความสามารถดีมีความประพฤติดีเรื่องปราดแท้ตลอดในศาสตร์ทั้งพวงทั้งทางโลกและทางธรรม สมบัติขั้งสามนี้จะติดมาในดวงบุญกับกายมนุษย์ยาบเป็นชนกกรรมที่นำไปเกิดตามกำลังแห่งบุญถ้าเราสั่งสมบุญตอนเป็นกายมนุษยา์าบบุญก็ติดตรงกลางนั้นเป็นดวงใสๆแต่ชนกกรรมนั้นจะค่อยๆหมดไปเนื่องจากเป็นบุญเก่าเหมือนพลังอาหารที่จะส่งผลให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกถ้าใช้เพื่อเป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติ ก็จะมีดวงบุญดวงใหม่ติดอยู่ในกลางกายซ้อนซ้อนกันอยู่เมื่อกําลังบุญเก่าหมดก็หดอายุไขกําลังบุญใหม่ก็ติดอยู่ในกลางกายทรงต่อไปถึงกายมนุษย์ละเอียดเมื่อเดินออกจากฐานต่างๆคําว่าเดินไม่ได้หมายถึงก้าวเท้าเดินนะแต่หมายถึงเคลื่อนหลุดออกไปตามฐานต่างๆจากฐานที่เจ็ดไปฐานที่หกที่ระดับสะดือ ฐานที่ห้าปากช่องคอฐานที่สี่เพดานปากฐานที่สามกรางกัสศีษะฐานที่สองที่หัวตาหญิงซ้ายชายขวาฐานที่หนึ่งปากช่องจมูกรุดออกไปก็เป็นกายมนุษย์ละเอียดไปแสดงหาที่เกิดใหม่เมื่อไปอยู่ในภพภูมิไหนที่เหมาะสมตามกำลังแห่งบุญกายนั้นดับไปก็จะมีดวงบุญอีกกายหนึ่งตามภพภูมินั้นบังเกิดขึ้นแทน เช่นกงเกิดในเทวโลกจะด้วยวิธีใดก็ตามเกิดแล้วโตทันทีเรียกว่าโอปาติกะดวงบุญที่อยู่ในกายทิพย์ก็จะเปิดขึ้นใช้เมื่อใช้แล้วเราก็จะได้กายเป็นทิพย์มีเครื่องประดับมีทิพยาสมบัติมีวิมานพวก้องบริวารอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นซึ่งมาจากบุญที่เราสั่งสมมาตอนเป็นกายมนุษย์หยาบ ดวงบุญจะติดอยู่ตรงกลางเป็นดวงใสๆถ้าจะได้นิพพานสมบัติบุญนี้ก็สมผลไปถึงกายธรรมบุญอยู่ในกลางกายธรรมก็พุึงขึ้นมาก็าจะดูดเห็นจำคิดรู้เราตกศูนย์ไปสู่กายนั้นพุึงเป็นกายพระอริยเจา้าตามกำลังแห่งบารมีเช่นเป็นพระโสดาบันพระสะกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นต้น นี่คือมรดกสมบัติที่พยาสมบัติและมิพานสมบัติอานิสงส์งการเป็นผู้น<ำ>ํา<ำ>บุญบุญเกี่ยวกับเรื่องกรถินถ้าคิดด้วยตัวเองมีกุศลศรัทธาด้วยตัวเองสอนตัวเองได้บอกตัวเองได้ชักชวนตัวเองได้เป็นแหล่งกาเนิดแห่งความคิดคําพูดแล้วก็ทำด้วยตัวเองกําลังบุญนี้จะแรงกล้ามาก และถ้าไปชวนคนอื่นเขาทำด้วยก็จะมีบุญที่จะเป็นผู้นาไปชวนคนทำความดีมีพวกพ้อพอดีวานที่เราชวนมานั่นก็าตามกำลังบุญถ้ามาด้วยความติยินดีเรื่องใจดีใจบุญก็ได้เต็มที่ถ้าถวายวัตถุทานจะตูปัจใจทายธรรมก็จะมีซั์ไปตามกำลังแห่งบุญ ถ้าประธานก็จะได้เป็นผู้นําของทุมชนตามกําลังแห่งบุญเช่นถ้าเทียบสมัยนี้กําลังบุญส่งเป็นอบตอบ้างเป็นผู้ว่าเป็นประลัดประทรวงเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นพระราชาในแต่ละยุคสมัยบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเพราะผลบุญที่เกิดจากการเป็นผู้ดำบุญชวนคนทําความดี จะมีพักมีพว ก, ม, พกมีบริวารสมบัติเกิดขึ้นในเทวโลกก็จะมีบริวารมากมีทิพยยะสมบัติมากเป็นเทวดาที่มีศักย์ใหญ่ไปไหนก็จะได้รับความเคารพเลื่อมใสหลีกทางให้บุญที่เป็นผู้นำที่คิดด้วยตัวเองแต่ถ้าคนอื่นเขาชวนทําแต่ทําเต็มที่กำลังบุญก็จะหย่อนมาหน่อย ถ้าจากนายกก็มาเป็นรองนายกอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่จะไม่ประสบความสุขความสมเด็จในชีวิตนั้นเป็นไม่มีเพราะสั่งสมบุญกันไปอย่างนี้โดยเฉพาะบุญกะถินซึ่งเป็นกาลทานปีหนึ่งมีครั้งเดียวเป็นการ ส, สนับสนุนให้พระที่ออกพรรษาแล้วได้อันุสงส์เต็มที่ตามพระวินัยเราไปทอดกะถินทำให้พระสมปรารถนา เราก็จะสมปรารถนาด้วยก็จะมีทรัพย์มากได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาแล้วก็มีทุกสิ่งที่ผู้มีบุญในการกอดเขามีกันตามกําลังแห่งบุญการได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาการได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาก็งงาะาาาจะทําให้เราได้ศึกษาเรียนรู้คําสอนจากท่านผู้ที่ฝึกตนพัฒนาตน จนกระทั่งหลุดพน้นจากกิเลสอาสวะได้รับความรู้จากผู้ที่หมดกิเลสแล้วก็จะทำให้เราได้ความรู้ที่แท้จริงทำให้การดำเนินชีวิตถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันและก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามไปด้วยเพราะทำตามคำสอนของผู้ที่ดำเนินชีวิตถูกต้องนําใจมาสู่ตาแหน่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาจะคิด ก็คิดถูกต้องพูดถูกต้องทําถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องดีงามางก็จะกำเนิดขึ้นกับตัวเองแต่ถ้าไม่ได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาก็าจะได้ความรู้ที่ไม่สมบูรณ์เป็นความรู้ที่ถูกต้องน้อยผิดพลาดมากความผิดพลาดก็จะทําให้ดําเนินชีวิตผิดพลาดซึ่งก็จะมีอบายภูมิรองรับเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นการเกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาถือว่ามีบุญมากที่นี้จะเกิดอย่างนี้ได้ก็จะต้องมีสายบุญกับพระพุทธศาสนาเช่นมาโบสถหรือทานุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นขฤารือหัดเป็นญาติโยมอย่างนี้เป็นต้นสายบุญนี้ก็จะเชื่อมโยงกับพระสัมมาสัพพทธเจ้าท่านกงเกิดขึ้นที่ไหนเราก็จะไปเกิดที่นั่น รื้อไปเกิดอยู่ในความรู้ของพระองค์แม้ท่านดับขันปรินิพานไปแล้วแต่พระธรรมคําคสั่งสอนของพระองค์ก็จบทอดมาถึงกระสงซึ่งทรงจำศึกษาเอาไว้เป็นตัวแทนของท่านก็เป็นประดิษท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่เราก็จะได้ศึกษาเรียนรู้ทาเนินชีวิตได้ถูกต้องเช่นเดียวกับทสัมมาสัมพุทธเจ้า บอกแลวว่าเราเข้อปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับตัวเองมีสุขในปัจจุบันแล้วก็จะได้สมบัติทั้งสามติดไปทุกภพกทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานถ้ามุ่งไปที่สุดแห่งธรรมก็จะก้าวเดินต่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นบุญเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องสั่งสมทำบ่อยๆเพราะเราใช้บุญเก่าหมดเปลืองไปบ่อยๆบุญใหม่ก็ต้องสั่งสมบ่อยๆ เรามีช่วงโอกาสสั่งสมบุญเพรา ะ, ราะตอนเป็นกายมนุษย์ยาบเท่านั้นซึ่งอยู่ในยุคนี้ก็เป็นช่วงสั้นๆเราไม่ได้มาเกิดในยุคของมนุษย์ที่มีอายุยืนเป็นหมื่นปีหรือหลายหมื่นปีเพราะฉะนั้นช่วงสั้นๆ น, นี่แหละเป็นช่วงสั่งสมบุญแต่ช่วงสวยผลบุญนั้นยาวนานตามกำลังแห่งบุญ แต่ถ้าเกิดในยุคที่มนุษย์มีอายุไขัยสั้นมันก็มีช่วงสั้นในการสั่งสมบุญการอยู่ในเทวโลกก็จะสั้นกว่าผู้ที่ได้สั่งสมบุญยาวนานในสมัยกับไขขึ้นที่มีอายุยืนยาวนี่ก็เป็นเรื่องที่เราโชคดีที่มาเกิดอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ที่ไม่มีในคําสอนของความเชื่ออื่นๆ ดังนั้นการเกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนานี้จึงเป็นบุญลาภและมีความสำคัญกับตัวเราอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาด้วยใจที่ปลื้มิติหินดีใจเราจะได้ใสใสบริสุทธิ์จนกระทั่งความบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจเป็นดวงใสใสติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด สิ่งที่เราจะต้องทาต่อไปคือทำให้ดวงบุญนี้ใสในใสหนักยิ่งขึ้นโดยการหยุดใจในกลางดวงบุญนั้นหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งกลางดวงบุญนั้นจากนิ่งหลมุมหลมก็ามานิ่งแน่นคือนิ่งอย่างนั้นจนกระทั่งความคิดอื่นดึงใจเราหลุดไปไม่ได้ใจของเราก็จะได้ใสบริสุทธิ์อยู่ตรงกลางกายดวงวุญยิ่งใสในใสเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ สมบัติต่างๆรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาภยศสันเสริญสุขมรรคผลนิพพานก็จะบังเกิดขึ้นกับเราเร็วขึ้นมีปริมาณมากขึ้นทั้งปริมาณคุณภาพคุณค่าเหมือนผู้มีบุญในการก่อนอย่างนั้นยิ่งใสในสใสใสในใสหนักเพิ่มขึ้นไปอีกก็ยิ่งมีอนุภาพมากขึ้นโตใหญ่เพิ่มขึ้น ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งขยายดวงบุญไม่มีหยุดจยงดวงบุญจะขยายโตขึ้นใสญ่ขึ้นจากดวงเล็กๆที่ติดที่กลางกายก็โตขึ้นไปเรื่อยๆจะปกครองดูแลตรงไหนถ้าดวงบุญครอบครองในเขตนั้นก็จะเป็นใหญ่ในเขตนั้นถ้าดวงบุญโตท่วมประเทศก็จะเป็นใหญ่ในประเทศถ้าท่วมโลกก็จะเป็นใหญ่ท่วมในโลก ถ้าท่วมไปถึงทวีปทั้งสี่ก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเลยโตใหญ่กว่านั้นเข้าไปอีกก็จะเข้าสู่ความเป็นพระอริยะเจ้ากระทั่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นดวงใสๆแล้วก็จะกลั่นลำดับส่วนไปเป็นบารมีบารมีเราได้ยินบ่อยๆว่ามีบารมีอย่างนั้นอย่างนี้แต่คำว่าบารมีนี้ลักษณะอย่างไรเราก็ต้องรู้จัก มันจะอยู่ในกลางดวงบุญเป็นจุดกึ่งกลางจากดวงบุญต โ, โ, โตๆก็จะปป ก, ยยกละกัน่นไปเรื่อยๆเช่นดวงบุญโตเท่าคืบหนึ่งจะกลั่นไปเป็นดวงบรมีสักปลายนิ้วก้อยและขว่าบบรมีทั้ง10บทัศสามทัดจะบริบูรณ์ก็จะต้องสั่งสมเพิ่มพูนไปเรื่อยๆจะเป็นชั้นๆไปบรมีก็จะกลั่นต่อไปเป็นรัศมีร่าจับส่วนไปเรื่อยๆเป็นกําลังเป็นฤท เป็นอำนาจเป็นสิทธิเป็นเฉียบขาดเป็นชั้นๆั้นเข้าไปสิทธิทเฉียบขาดก็มีอำนาจเป็ดเสร็จทุกอย่างหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ถ้ายังไม่เต็มที่ก็หย่อนลงมาถ้าสิทธิทเฉียบขาดในเมือมนุษย์ก็เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมันจะหย่อนหย่อนกันมายอย่างนี้แต่ทั้งหมดเริ่มจากดวงบุญญาณใสๆนี่แหลจะจ้ะ คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้กันไปฝึกฝนกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นภายหลังจากที่เราทำบุญไปแล้วก็ต้องมาตามระลึกนึกถึงแล้วก็ปลื้มใจทุกครั้งว่าเราตัดสินใจถูกแล้วที่เราได้สั่งสมบุญที่ผ่านมาแม้ซักกว่าจะหามาได้ด้วยความยากลำบากหรือกว่าจะตั้งกองกระถิ่นกันมาได้มันก็ไม่ใช่ง่าย ต้องเด็ดเหนื่อยออกเครี่ยวออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นเราทำได้ใจก็ปลื้มเวลาทำก็ปลื้มปิติสุขใจดีใจหลังจากทําแล้วนึกถึงทีไรก็ปลื้มเราทาถูกหลักวิชาในแหล่งแห่งเนื้อนาบุญมองออกว่าตรงไหนเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญตรงไหนไม่ใช่แม้จะทาทั่วไปก็จะต้องรู้ว่าบุญหลัก ควรจะทำที่ใครบุญรองถัดลงมาควรทำที่ใครไม่อย่างนั้นคำว่าทักขิ่นายะบุคคลแรงแห่งเนื้อนาบุญจะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแทงตลอดในเรื่องเหล่านี้ในขณะที่มนุษย์ยังมีกิเลสอยู่แทงไม่ตลอดความรู้จึงยังไม่สมบูรณ์เกาจะเห็นเฉพาะที่ดวงตาเขาเห็นเท่านั้น ดวงตาภายนอกเห็นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีดวงตาภายในทรมาจากสุขเห็นได้รอบตัวในเวลาเดียวกันทั้งอีปัจจุบันอนาคตเห็นตลอดเส้นทางเกี่ยวกับเรื่องบุญจะก่อ ก, กำเนิดอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรจะส่งผลอย่างไรถึงจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะแยกออกว่าบุญนี้ต้องทาควรทากับใครกับอะไร ดังนั้นคําว่าเนื้อนาบุญคือแหล่งแห่งความบริสุทธิ์พลังบริสุทธิ์อยู่ที่ตรงนั้นท่านก็จะสั่งสอนด้วยพระมหากรุณาด้วยความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงท่านไม่ปรารถนาอะไรเลยเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้ไปในทางไหนว่าตรงนี้เป็นเนื้อนาบุญให้ไปทําตรงนั้นก่อนส่วนที่อื่นที่ไม่ใช่เนื้อนาบุญก็ทําด้วย จะสงเคราะห์โลกก็ทําด้วยเพราะเราต้องอยู่กับมนุษย์ต้องเกื้อคูลกันแต่ต้องรู้ว่าเนื้อนาบุญอยู่ตรงไหนแล้วก็ทําทั้งสองอย่างควบคู่กันไปจึงจะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ลูกทุกคนฝึกนึกถึงบุญว่าเราทําถูกหลักวิชาแล้วกับเนื้อนาบุญทํากับพระเถรพระคุณหลวงปู่ทํากับพระสงฆ์ตามวัดวาอารามต่างๆซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาทำกับวัดที่กำลังจะล่มสลายให้พื้นผูกลับมาใหม่ที่เราได้สมมุติเรียกว่ากถินสำรักเราฟื้นขึ้นใหม่อีกเหมือนวัดที่กำลังโคมาเหมือนคนโคมาปลูกให้ฟื้นขึนมาใหม่ให้เป็นที่พึ่งกับมนุษย์และเทวดาใหม่เป็นที่พึ่งแก่นักบวชแก่บรรพชิตใหม่บุญเหล่านี้มีอนิสงส์มีอนุภาพอันไม่มีประมาณทั้งสิ้น เทวดาขอมองเห็นขอชื่นชมอนุโมทนาสาธุการบัณฑิตนักปราชญ์ที่เป็นผู้รู้มองเห็นก็ชื่ น, นใจิติใจเราก็น<ม>ึกถึงค<ม>ุณอย่างนี้นะ